นี้ก็เป็นวันนัธรรมสวระณวันที่องพระเจ้าของเราก็ได้วางระเบียบวางระบบเอาไว้นะอสมัยก่อนก็เป็นสมัยที่เป็นเกษตรกรรมของประชาชนมีอาชีพเป็นส่วนใหญ่แต่สมัยนี้แม้ว่าเราจะหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ก็ยังทรงเอาไว้ ซึ่งวันขึ้นแปดค่ขึ้นสิบห้าคหรือว่าแ ร, รงแดค่าแรงสบสี่สิบห้าค่ำแล้วก็ยังส่งเอาไว้ว่าเป็นวันธรรมสวรณะธรรมสวรณะนี้คือการที่พวกเราจะได้มาเข้าวัดนะบางคนมีเวลาก็สมั มาสง่งพระเจ้าส่งตัสะดุนนะเราลึกชาติไปที่เรียกว่าบุพเพนิวารสาสติญาณอารมณ์ลลชาติผลหลังไปนะเราลึกไปเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติแล้วก็ราลึกไปนะหลายล้านล้านชาตินี่ก็ยังไม่หมดนะไม่หมดว่าตรงกิจตรงนี้เนี่ย เริ่มต้นนะที่มาเกิดเมื่อไหร่ไม่สามารถตามดูได้เพราะว่ามันยาวนานยาวนานมากในขนาดว่าเป็นญาณของพระเจ้านะพระองค์ทรงระลึกไปก็ยังมีชาติแล้วชาติเล่าอยู่อย่างนั้นไม่หมดไม่จบหราม่สิ้นไปนะมันยาวนานมากกันเป็นไหวแต่เกิด ตเกเมื่อเราตายจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยนะการที่เราจะเกิดตายเกิดตายอีกเนี่ยก็จะนับไปไนดะ้ ที่ใดเทดาแสงน้อยกว่าก็ถอยไปเขาจะวัดกันแสงก็คือคุณธรรมความดีบุญกุศลนั่นเองนึกเป็นพรหมแล้วก็สูงขึ้นไปตามระดับชั้นวัดกันด้วยกําลังของกิตที่มีสมาธิอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าอยากจะต้องมาเวนไหว้ตายเกิดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพบเนี่ยพบนี้เป็นสถานที่ให้มีการเกิดขึ้นมา ว่ารูปประพกเป็นพกของผมอรูปประพกก็เป็นพกของรูปประพกกางประพกกางปพกนี้นกว้างมากนะสวรรค์ทุกชัน้นนามมนุษย์อยู่ตรงกลางต่าลงไปนรกเปรอสุรกายสัตวริษานีน่ฝ่ายต่ําสูงขึ้นไปเป็นสวรรค์ต้องมนุษย์นี่อยู่ตรง จริงแล้วการเกิดม่นมีการเกิดเพราะเพราะว่ามีภพชาติมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอยู่จึงมีการเกิดขึ้นมาเราเรามาดูในจิตของเราปัจจุบันว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นอย่างใดนะก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานลวงพ่อชาติสอนที่พวกเราก็เลยว่ารักวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่น ถ้าเราวางอุปทานความยิดมาถึงบ้านได้มากเท่าไหร่ความทุกข์ก็ น, น้อยลงนะ ก, ก็สุดมีอุบาสกคนหนึ่งไปกลับปุชาแล้วเนี่ยมีทุกข์มากเหลือเกินทุกข์มากมหาลกปู่ยิขอธรรมะกแก้ทุกข์หน่อยลูกปู่ก็เห็นมีถังน้ำอยู่แล้วก็เลยแห้ถือไว้อยู่นะถ่านกล็ลง ว่ามันหนักครับนะมันหนักครับต้องปูกก็เลยทางกลับเข้าไป เราลองพิจารณาในือวันใจของเราเนี่ยนั่นคือวใจของเรานี้เนี่ยมันยึดมั่นถือมันอะไรบ้างนะเมื่อยึดมั่นถือมันแล้วเราก็ไม่เห็นความเป็นจริงเราก็แย้งกับความเป็นจริงอยู่เลยนะเราเกิดขึ้นมาเราไม่ได้ยอมรับนัถือความเป็นจริงเลยนใจของเราแย้งเพราะว่าใจนั้นถูกอบรมด้วยอวิชาต้าทายมาถาน มช่าเนี่ยเขาก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่าจิตที่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนั่นะอยากจะให้สิ่งนั้นมันคงที่ตลอดไปนี่คืออุปทานเราสังเกตุต้นไม้ใบไม้จากสีเขียวอ่นอนมันก็เข้มขึ้นไปเรื่อ ย, อยในที่สุดมันก็เป็นสีเขียวแก่แล้วก็ ให้ค่อยเปลี่ยนเป็นแสนด้วยเหลืองนะให้ค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ําตานลนะก็ร่วงหล่นไปตามการทำเวลาแต่บางาบครั้งก็มีมลมแรงพัดลงมาใบไม้แม้ใบอ่อนๆ อ, อ, อยู่ร่วมหลนก็มีใบกัการ่วงหล่นไปก็มีใบสีเขียวร่วงหล่นไปก็มีเอื้องจะออกน้เหลืองแสนบ้านร่วมไปก็ ส่วนใบที่มันมีความเข้มแล้วต่ำตาลแล้วเข้มแล้วก็รวกลงไปแนะนะถ้ามันมีเห็นมีปัญหา ก็่ใช่ออกนะแต่ว่าเราไม่ได้มาเรียนรู้หรือเราไม่ได้มายอมรับความเป็นจริงของสังขารนี่เลยใจของเราแย้่อยู่ด้วยเพราะว่าตัวอุบทานนี่แหละมันยึดมันถือมันไว้จึงเป็นเหตุให้เกิดว่าทุกในใจสเสมอเมื่อเรามาปฏิบัติคือเรามีโอกาสเรามาทุศีนี้ เรามีโอกาสได้ศึกษาวางความวุ่นวายเอาไว้วางเรื่องโลกเอาไว้การบ้านการเมืองวางก่อนนะเพราะนั้นมันเรื่องของคนอยู่ในโลกนี่แหละคนอยู่ในโลกก็จะต้องบริหาจัดการเป็นอย่างนี้เราก็ต้องวางในวันนี้เราก็จะมาถือสิศีลแล้วโลคนี้มันเป็นอย่างนี้เราตายไปแล้วอีกกลับมาเกิดใหม่ก็เป็นอย่าง สิทรรมเนี่ยถึงเป็นหลักของชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตในความเป็นมนุษย์ในเบื้องต้นเราก็มีหลักแล้วนะจะมีสิ่งนี้เป็นหลักของชีวิตของเราเราจะไม่ทําตามอํำนาจของกิเลสนั่นะคือความโลภ ค, ความโกรธความหลงเนี่ยถ้ามันมีอำนาจมากแล้วมันจะจุดใจของเราลงไปสู่ทิทธิธรรมกิเลสตัณหาเนี่ยไม่เคยสร้างให้ใครที่จะมีความสุข ม, มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมันจะดึงจิตใจของเราให้ตกต่ำไปอยู่เสมอแล้วนะไม่ใช่ธรรมะเท่านั้นนะถ้าอยากทาใจของเราให้มัสูงขึ้นมีความสงบเริ่มเย็นน้นเราก็จะต้องปฏิบัติธรร ม, มไม่ทาตามอำนาจของกิเลสซึง่งจะบักดันให้เรามีแต่ความทุกข์นั้นหลักคิดิจของเราในองค์ตัวเราก็าเรามีสิหนห้า อบควเราก็มีความสุขแล้วนะมีทานมีศีนเป็นปกติเป็นคุณสมบัติของประโสดาบันบุคคลนะท่านจะมีศิหนห้าเป็นปกติเช่าานานนาธรรมจักรเศรษฐีหรือว่านางวิสาขาเมาศกสิกานาักบุญศาสนาเนี่ยก็มีศิหนห้าเป็นปกตินะนางพิสาขาได้มีลูกมีหลานเป็นร้อยเลย ตั้งมันอยู่ในคุณงามความดีนักของศินห้าประการอนานนาธรรมนการเศรษฐีนั้นเมื่อถึงบรรพะในปริวารของท่านในบ้านเรือนของท่านในเรือนของเศรษฐีนั้นก็สมาทานสินแปิ่ทุบโบสดพอมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่ดีมีคุณค่าทางจิตใจในั้นเป็นเรื่องของสินธรรม มากกว่าสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกไม่มีมากก็ให้ทานบริจาคไปมากนะเพระเห็นว่าเอาเก็บเอาไว้คนเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะทาบารมีให้คนได้รับความสุขนาธานใ น, าานการเสิ็จถนี้ยังตั้งหลงทานนะสี่มุงเมืองนะเพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนเั่นล เียว่าเป็นเศรษฐีเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนนะอ น, นาถาอ น, นาถนาั่นนะมีน้ ก, กากก็คือก้อนข้าวอันเป็นที่พึ่งของคนยากคนจน เพ่ชีวิตของเราโดยที่เราก็มีสินโอกาสมีการฟําทําโดยการโดยเวล า, วลาก็เป็นคนของชีวิตวโอกาสนี้เป็นเวลาที่เราได้ฟัธรรมะอันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะจะสอนให้พวกเรานั้นปฏิบัติให้จิตตรงนี้สูงขึ้นไปเมื่อเราก็คุมกายวาจาของเราได้สินไดีดแล้วเนี่ จิตเนี่ยเห็นไหมว่ามันคิดนึกมันไหวมากมันปรุงแต่งอยู่เสมอไม่หยุดเราก็ต้องมาฝึกนะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนําความสุขมาให้กับเราจิตตาันตังสุ ข, ขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําความสุขมาให้ตนอันนี้เราต้องฝึกจิตนะฝึกจิตของเราแล้วให้มีความสงบให้ได้อบรมดวงจิตตรงนี้ในชาตินี้แหละ ให้มันได้รับความสงบทำไมมันวุ่นวายคิดนึกปรุงแต่งประโยชน์นั่งสมาธิฝึกทุกวันมันรัก5นาที10นาที15นาทีเครื่อชั่วโมงเข่ยวโมงหนึ่ง1นึ่ยวโมงนะเดี๋ยวมีเวลากระทั่งสองชั่วโมงครับผ้ชมตามการตามเวลาตามโอกาสและการเอาโอกาสในระหว่างวันก็ให้มีความมีสติดูจิตของเราไว้ ทำกิจการงานอะไรอยู่ก็ให้มีสติอยู่ตรงนั้นนี่ก็เป็นการปฏิบัติน่ะแม้อยู่บ้านเรามีสิลห้าสิบแปดเราก็ปฏิบัติมาวัดกันมาในสร้างบูบาลวิธีแนวทางแล้วน่ะเราก็รักษาจิตของเราวันหนึ่งว่าจิตของเราตอนนี้มันมีความโกรธไหมมีความโลภไหมมีความหลงไหมกระดูกนะคิดโลภคิดโกรธคิดหลงไหม คิดมุ่งร้ายคนอื่นไหมคิดในบางทีก็คิดมุ่งร้ายคนอื่นนะคิดมุ่งร้ายคนอื่นได้มุ่งร้ายแต่ว่าการพูดความคิดหรือการกระทําคิดไม่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อจิดเนี่ยมันคิดนะนึกปุงแต่งอย่างนั้นเราก็มีสติได้รู้ว่าโอ้จิตจะเป็นอย่างนี้นะเมื่อเกลเลดมันอบรมแล้วเนี่ยวิชาทั้งเอาบัณฑ์ทำอบรมมันก็คิดนึกปุ่แต่ง ก็เพ kh ียงแต่ว่าเราก็รู้ไว้ว่ามันปุงแตงเรื่องอะไรมันคิดเรื่องอะไรเราไม่ทำตามนะมันจะคิดก็คิดไปมีสติสอนไว้เออไอ้เจ้าคิดอยู่เนี่ยไม่ใช่เท้าแล้วมันเป็นอวิชชาเท้าประทังปุ่แตกจิตนะมันเคยชินคิดมาอย่างนั้นเราก็มีสติรู้แล้วก็วางไว้นะโดยพยายามเอาคบุรกรรมมากำกับจิตของเรา คิคของเราไว้หรือเราไม่เด้กบริกรรมตลอดก็ให้เรามีสติดูจิตว่าคิดยังไงจิตมันโลภมันโกรธมันลหลงไม่ก็พิจรารณานึกถึงก็รมฐานาคิด่ความตายเราปุงแต่งไปทะเยอทะยานไปในโลกก็น้อมาว่าเราต้องตายนะเห็นคนเขามีลาภมียอดเสริ์อะไรมากมายก็ตามชีวิตทุกคนก็ตายเราก็ต้อง ตายทุกหนก็ใหออกนะพิจารณาความตายให้จิตหลงก็มาเป็นบรณารุสตินะความตายเป็นอารมณ์ ก็ตั้เสียได้พอหนึ่ชั่วโมงก็มีเสียขึ้นมาก็ระลึกถึงความตายเตือนสตนิอีกชั่วโมงหนึ่งก็ระลึกถึงความตายเตือนสติมันเราทำได้ดีแล้วก็อาจจะเพิ่มเครื่องชั่วโมงระลึกถึงความตา ย, ยา ö, ชีวิตมันไม่แน่นอนเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายไม่ใช่ระลึกแล้วเกิดใจหดหู่เพื่อความไม่ประมาท ยายมสร้างความดีส ร, สร้างคุณสร้างคุณส่วนบางทีมันจะเกียรติค้านในการที่เราจะทำทานในการจะ ม, สมาสมถานศีลก็ตื่นตัวขึ้นมามันจิตมนนุ่มมัลงก็ตื่นตัวขึ้นมาตื่นตัวในการปฏิบัติภาวนาขึ้นมาแล้วก็ไม่เจอนานลงลงให้เห็นมรูปนามเป็นอนิจจมทุกขังอนัตตาการระลึกถึงความตายในลมนั้นจึงได้อานิสงส์ว่า จะได้อานิจจสัญญาความจำหมายว่าไม่เทีย่ยงความจำหมายว่าเป็นทุกข์ความจำหมายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสัญญาเมื่อร่างกายรูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนะยังเป็นสมถกรรมาฐานอยู่แต่เมื่อเห็นรวมได้ดีแล้วเกิดความรู้กึ้นมครั้งหนึ่งจะเป็นกิปปสนากรรมฐานลุงแจ้งเห็นจิงขึ้นมาได้เห็นธรรมะขึ้นมาได้นะนะเพราะฉะนั้นว่าพวกเราเนี้ เกิดมาแล้วตั้งใจปฏิบัติแล้วทำการตามกันเวลาเป็นบุคนคลแล้วพยายามศึกษาแม้ว่าในสมัยนี้ก็ทมเราปฏิบัติก็จะบรรลุได้เห็นธรรมะได้ไม่แตกต่างจากสมัยมกุกาลนะไม่ใช่ยากนะการที่เราเห็นธรรมะเป็นพระโสดาบัน่า ไหมดในอารมณ์กุศลทั้งหลายไม่ฟุง้งซ่านในอารมณ์กุศลไม่ถือตัวถือตนระม า, านระววิชาทั้งหมดนะมองทุกอย่างเป็นธรรมะเทํานั้นทำธรรมเป็นธรรมเท่านั้นปล่อยวางจิตใจก็ว่าก็เป็นพาอรหันต์เราก็ต้องปฏิบัติให้ถึงนะซึ่งมนุษย์นี้สามารถพัฒนาจิตให้สูงสุดและจิตเรียนรู้ในจิตของเราให้สูงสุด ขึ้นไปได้ถึงจิตที่บริสุทธิ์สุดพ้นพระอรหน์หรือการจะสร้างบา ร, รมีไปก่อนนะพอะจะพพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ท้ายสุดแล้วก็ต้องทําจิตให้บริสุทธิ์นะเป็นพระอรห์จิตที่เป็นพระหันแล้วคือหมดรอบกฏลงแล้วหมดเหตุหมดปจัจจัยความปรุงแต่งก็จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในวตัตฏสงสาร เราเ็นเวียนว่ายาตเกิดเอ๊จะมีสุขอย่างไรเนาะมนุษย์นี่มก็มีความสุขแล้วนะเอ๊เทวดาจะมีความสุขกับมนุษย์อย่างไร บ, บางทีไม่อยากจะไปเป็นเทวดาก็มีนะมีเพื่อนกันสร้างบารมีกันมามากคนหนึ่งไปเป็นเทวดาคนหนึ่งไปเกิดในนอนในในบ่อที่มีอุจราระอยู่นั่นแหละในบ่อหมอโมดหมอพูดนั่นแหละโอเพื่อนก็นสงสาร เราเกิดเป็นเทวดาสร้างบุญบารมีบริการเอาไปเกิดเป็นหนอนเทแล้วก็พยายามไปช่วยเพื่อนในขึ้นมาจังสันตประชานั่นไตรโล ก, กีตรงนั้นไม่มาแล้วชอบอยู่อย่างนั้นไม่มาสบายกว่าไม่เห็นว่าอวสุขเทวดาจะสู้เราได้ะไะวะ สุะมากกว่า มีความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยทั้งจก็มีท้องด้วยความทุกข์ก็เบาลงไปเยอะนะมาลงไปมากแล้วเห็นหมนี่หลังก็ต้องมาพัฒนาเนี่ยจิตดวงนี้ได้มันสูงขึ้นไปจากมนุษย์เกิดเป็นเทวดานีพัฒนาขึ้นไปจากเทวดานั่งมาลงมาเป็นมนุษย์ก็ไปยามทำภพชาติอย่างสั้นกับไม่ไปนาไปญญูม โดยที่เราก็มีสินห้านี้ประกันประกันชีวิตของเราไว้พวกเราอาจจะทําประกันชีวิตกันมากนะเพราะว่าเห็นว่าชีวิตมีความเสี่ยงก็จึงประกันประกันสุขภาพประกันชีวิตไว้แต่ว่าเราเห็นใวันใจของเรามีความเสี่ยงมากมากกว่าชีวิตเดียวนีว้